นมีบุญมากเอถ้ากล่าวตามยานที่อ น, นะว่ายานในอริยสัจเนี่ยนะอริยสัจนี่มีกี่ยานยานใหญ่ๆนี่มีอยู่สามยานคือสัจจะยานเกจจะยานแล้วก็กตะยานคือตอนที่ทําบุญครั้งที่แล้วทําด้วยสีแดงไว้ร้องหาสีน้ําเงินได้ยังไงทําเหตุไปอย่างนั้นเอา ทีนี้ต่อไปนะว่าสัจจยานคื อ, อสัจจยานเนี่ยไล่ตั้งแต่ระดับอนุโพธยานอนุโพธะคืออะไรคือฟังอริยสัต์นั่นแหละเพราะเรื่องนี้มันเรื่องอริยสัตว์อยู่ใช่ไหมก็ฟังอริยสัตว์พอฟังนะเริ่มตั้งแตอะไรฟังเมื่อฟังก็พิจารณานะเมื่อพิจารณาก็ใคร้ครวนจนถึงปฏิเวทเนะนะพอปฏิเวทเนี่ย ขณาดปฏิเวทเนี่ยจึงชื่อว่าทำปริญญากิจทำปหาณกิจแล้วก็ทำอะไรกิจสัจจิกิริยาแล้วก็สุดท้ายคือภาวนากิจอ่าปริญญากิจกับปหาณกิจเนี่ยโดยกิจจริงๆเลยส่วนสัจจิกิริยานี้โดยอารมณ์ภาวนาก็โดยกิจเพราะขณะนั้นเนี่ยเป็นการภาวนาโดยกิจอันนี้ของอะไรของระดับ โซดาปฏิมักระดับโซดาปฏิมักเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นตัวนี้เนี่ยนะภาวนากิจเกิดขึ้นก็เกิดอะไรอริยผลเมื่ออริยผลเกิดขึ้นก็มีปัจเาาจเวขณะยานปัจเจเวขณะยานปัจเจเวขณะยานก็หนึ่งพิจารณารวมสรุปเลยนะผู้ดโดยสรุปหนึ่งพิจารณามรรคสองพิจารณาผลสามพิจารณานิพพานสี่พิจารณากิเลสที่ละแล้ว ห้าก็พิจารณากิเลสที่เหลือเพราะโสดาปฏิมักเนี่ยก็ได้สามกิจเลยสัจจยานสัจจยานที่สมควรแก่โสดาปฏิมักสัจจยานตัวนี้ที่เรารู้กันว่าธรรมานุธรรมปฏิปติเป็นธรรมานุธรรมปฏิปติเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะคือให้ถึงจนถึงปฏิเวทพอถึงปฏิเวทเนี่ยโสดาปฏิมักก็ทํากิจ ทมกิจปริญญากิจปหานะโดยกิจทีนี้ของเราในเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นการเจริญวิปั ส, สนาการพิจารณาขันห้าทั้งหลายในขณะนั้นนั้นก็คืออนุโพธยญาณถ้าถ้ากล่าวตามนี้อันนี้ผู้ตามความเข้าใจนะเพราะว่าคำอธิบายที่อื่นๆก็พยายามดูอยู่คนมรุกิคำพีแล้วก็ยังไม่ค่อยพบอะไรมากมายแต่ว่าจากคาถามที่สนทนาแล้วก็คร่ครวมาเนี่ยฟังและจะเข้าใจอ ย, อย่างนี้ แต่ถ้าเข้าใจอย่างาอย่างนี้ปั๊มเนี่ยจะสอดคล้อง ก, กันกับอีกหลายเรื่องเ น, นอสอดคล้องกับหลายเรื่องคือเช่นกิจทั้งหมดเนี่ยอย่างพาระอรหันต์ผู้ทำกิจเสร็จแล้วเนี่ยกิจเท่าไหร่กิจสิบหกตจเวกขณะยานทั้งหมดมีสิบเก้าส่วนสัจจยานเนี่ยก็ตามสมควรว่าของใครปูตุชนที่ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งก็หนึ่งรอบละ พระโสดาเออพระผู้ทำสกทาคามีผลให้แจ้งผู้ทรรมนาคามีผลให้แจ้งผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งก็สัจจายานของแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันยผลการรับกรรมฐานเพื่อบรลุมรรคผลทั้งหลายก็ก็ไม่เท่ากันถ้าลักษณะนี้นะครับพวกพวกผู้ที่เริ่มจะ ทำปริญาใหม่ๆก็ไม่ชื่อว่าทากิจเอจะเรียกว่าไม่ทำมันก็ก็ถ้าโดยโดยตรงๆก็ไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าทำนั่นแหละแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นลักษณะถ้าทั่วตามนี้คือสัจจยานแต่สัจจยานที่ถูกต้องมันเหมือนกับว่าถ้าเขียนมันจะมีการเขียนแผ่นชาติอีกวิธีหนึ่งคือเป็นการชี้ขึ้นเช่นว่าเมื่อฟังสัจจยานสัจจยานแล้วก็ปฏิบัติเพื่ออะไร ทำโสดาปฏิผลดะนะคือทําสัจญานเพื่อทําให้แจ้งเนี่ยทีนี้การที่จะปฏิเวทเนี่ยปฏิเวทคือปริญญาเนี่ยนะมันสัจจะยังไงให้มันคู่ควรกันกันกบเพราะพวกนี้เรียกว่าอีกชื่อหนึ่งนะเขาเรียกว่าสัจญานุโลมมิจยานยานะชื่อตรงนี้เรียกว่าสัจญานุโลมมิจยานเป็นความรู้ความเข้าใจเป็นปัญญาที่อนุโลมต่อ ต่อการรู้อริยสัจเป็นความรู้ความเข้าใจเป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องเพื่อการทําให้แจ้งมรรคผลกิจจยานนี่จะจะไม่มีที่เป็นโล ก, กิยาเลครับอย่างให้ท่านช่วยอธิบายอุทยพ ย, ายาัญาาที่ท่านพิจารณาเหตุเกิดความดับ อ, อ, อุทยพ ย, ายาัญาาหรือแม้กระทั่งอนุปัสนายานทั้งหลายเนี่ยเป็นสัจจานุโลมมิจฉายนอย่างเดียวจะไม่เรียกว่ากิจจยานอะไร คืออันนี้นี่สามารถตอบได้ทันทีเพราะว่าจะไม่ไม่เรียกว่าตั้งแต่ทั่วระดับวิปัสสนาญาณทั้งหลายเนี่ยจะไม่เรียกว่าทําไม่เรียกว่าเป็นกิจญาณอะไรแต่การมีการกําหนดรู้มีการส่งคห์โดยการรู้ทุกขละสมุทัยแล้วก็ใช่แต่เป็นโลกิยญาณสัจจานุโลมิกิญาณก็คืออย่างอุทะยภยญาณก็คือรู้สัจจะที่เป็น โลกิยาเนี่ยนะเรียกว่าแทงตลอดโลกิยาสัจจะและการแทงตลอดโลกิยาสัจจนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้อะไรเลยซึ่งบุคคลเหล่านี้ถ้าว่าไปตรงๆแล้วก็ยังเปลี่ยนได้เดี๋ยช่วยกลณาท่านช่วยะแจงเรื่องอุทธยาพิจญาณที่ท่านสงครองอริยสัจสี่ครับใส่ไอ้นี่หรือยังคือถ้าอย่างนั้นนะฮะถ้าถ้ากิจญานจะต้องมีมีพันิพานาเป็นอารมณ์ถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นยาตาปิญญามีอะไรเป็นอารมณ์ครับ ยาตาปริญญานี่มีสังขารเป็นอารมณ์กิจญานเนี่ยนะเนี่ยโดยอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์ปริญญาโดยกิจปะหะนะโดยกิจซึ่งพวกทำโดยกิจเนี่ยนะอย่างก่อนหน้านี้มาจารสันติจะถามแนวเนี่ยสูงมากก็ทั้งทั้งขณะนั้นเนี่ยมีมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยชื่อว่าทำกิจพวกนี้ได้ยังไงที่อื่นธิบายว่าโดยอะสัมโมหะ เนี่ยนะโดยอสัมโมหะโดยไม่หลงแม้กระทั่งภาวนากิจเนี่ยมรักแปดไม่ใช่หรือเนี่ยใช่มรักแปดทำไมเแล้วภาวนาตรงไหนก็ตัวตัวของตัวของสภาพจิตโลกุกตรจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วทําไมจึงบอกว่าเนี่ยภาวนาท่านบอกว่าแล้วแล้วในขณะนั้นก็ชื่อว่าโดยกิจโดยกิจเช่นว่าอะไรนะ สัมมาทิฏฐิเนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิอายกปัญญาขึ้นมาเนี่ยสัมมาทิฏฐิในขณะโลกุตระมักเนี่ยทำปริญญาโดยกิจละโดยกิจมีนิพพานโดยอารมณ์แล้ว เ, เห็นสัมปยุตรธรรมโดยอสัมโมหะรู้จักตัวเองโดยไม่หลงลืมนะไม่เลอะเลือนในธรรมภายในเนี่ยนะตรงนี้ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนในขอมาเป็นเรื่องที่อ่านแล้วเข้าใจยากที่สุด นัตว์พวกอริยสัต์บาัพภาสเนี่ยพลิกผ่านอย่างเดียวเพราะาอะไรว่าโดยกิจโดยอารมณ์ฟังเขาจะยากมากคือจริงๆแล้วเนี่ยหมายคาอว่าไม่เลอะเลือนในเรื่องของตัวเองถ้าถ้ากล่าวแบบแบบวัตถุวิญญาณอารมณ์เนี่ยนะสอันนี้มักคญาณนชมัรคญาณนี่ ม, นนมีองค์ประกอบเท่าไหร่ใหญ่ๆเลยมี <8 S 1> แปดองค์สมมติว่าตัวกลางเป็นปัญญาก็แล้วกันน่นะ เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิเนี่ยนะซึ่งโดยอารมณ์มีอะไรเป็นอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาอริยมรรคเกิดขึ้นตัวเนี้ยมรรคตัวเนี้ย จำลองตัวนี้ให้เป็นตัวนี้ในขณนะนั้นเนี่ยชื่อว่าทําปริญญาโดยกิจละโดยก็โดยกิจอีกเหมือนกันอนนะเดี๋ยวติดหม่อยทไมต้องต้องอาศัยองค์ประกอบอย่างอื่นอธิบายเยอะจังเนาะคืออย่างเช่นใช้คําว่าจักขุจักขุสมุทยัยจักขุนิโรจกขนิโรธถ้าขามินีปฏิปทาเนี่ยนี่ยจัคคุนี่เป็นอะไร ปริญญากริจจคูสมูไทยคืออะไรปะหานากิจจกคูนิโรดสัจจิกิริยากิจจกคูนิโรทักข า, ามินนปฏิปทานนี่เป็นภาเวตาภิกต์ทีนี้ถ้าในระดับสูงจริงๆเนี่ยเขาจะเพ่งไปที่อนุปัสนาถ้ามาพิจารณาจากักรคูโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่พิจารณาเห็นโดยความเป็นของเที่ยง เป็นต้นเนี้ยนะตามหลักเนะยถ้าพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงละความสำคัญว่าเที่ยงได้อ่าพวกนี้เป็นการพิจารณาจริงๆเลยเป็นการพิจารณาตรงๆเลยถ้าพิจารณาทะลุปุปโปรง่งจริงๆเนี่ยนะอ่าเช่นเจริญตามเห็นจกักขูโดยความคลายกับโดยความสละคืนสละอะไรสละความยึดถือตักขันธนานะสละความยึดถือแล้วก็เล่นไปสู่นิโรธ เมื่อเล่นไปสู่นิโรธเนี่ยขณะที่มีนิโรธเป็นอารมณ์ในเบื้องแรกก็โคตรภูยานใหมอาวัชนะโคตรภูยานก็เทียบทเท่ากับอาวัชนะเมื่ออาวัชนะมีนิโรธเป็นอารมณ์เนี่ยตัวโคตรภูก็เป็นปัจจัยแก่อาริยมรรคที่เรียกว่านอนในอารมณ์คือนิพพานเพราะในขณะนั้นเนี่ยขณะอริยมรรคเกิดขึ้นนี้ชื่อว่าตัวเองเนี่ยทำปริญญาโดยกิจเชื่อว่าทำปะหานะโดย กิจมีนิพพานโดยอารมณ์ปัญญาตัวนี้เนี่ยที่เรียกว่าเห็นมรักนะสัมมาทิฏฐิคืออะไรความรู้ในทุ ก, ค ว, ทกทความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขานิโรธคาขมินีปฏิปทาปัญญาตัวนี้เนี่ยรู้จักทุกขกับสมุทัยเนี่ยกําหนดรู้ทุกละสมุทัยโดยกิจมีนิพพานโดยอารมณ์แล้วก็ไม่หลงตัวเองไม่หลงพักหลงพวกกันนะ พูภาษาง่ายๆบอกตัวเองไม่หลงพักหลงพวกอะไรเลยขณะเนี้จึงเรียกว่ากิจยานของโสดาปฏิมาศมีสี่ทำกิจสี่แล้วทีนี้ถ้าเป็นพระโสดาบัณแล้วก็ขึ้นมาใหม่ อ, อีกเป็นพระโสดาบันแล้วก็เกิดอะไรนะกะตะยานนะพอกะตะยานก็ย้อนกลับมาหาสัจจยานอีกก็วนอยู่อย่างเนี้สีรส่รอบพอสี่รอบประพฤติอย่างนี้เนี่ยนะพระองค์จึงบอกว่า จึงปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งอันนี้เป็นแผ่นชาติเป็นโครงสร้างเฉยๆทีนี้ถ้ากล่าวโดยอนุปัสนาอันนะเลยเลยนะประเด็นนี้ใครไม่เข้าใจไปถามอาจารย์สันติสายหวัวเลยรู้แป๊บเลยคือยาตะตีรณะเนี่ยนะถามว่าอยู่แถวไหนบอกอยู่แถวนี้ต้นมากเลยนะถ้าพูดแบบภาษานี่มันมันละ อ, อ่อนมากๆเลยอ่ะ ถ้าพูดแบบภาษาระดับสูงไปแล้วนะที่เรียกบรรลุมรคผลเนี่ยพวกยาตาปริญญาเหมือนกับเพิ่งหันหน้าเข้าวัดอะ่ะบางปีแล้วติดเงินก็เหมือนกับว่าเออเป็นเด็กวัดแล้วถามว่าเอาแล้วบรรลุแล้วบรรลุก็ ต, ตอนตอนบวชแล้วนะนะั่นน่ะถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นนะครับในช่วงสัจจญานเนี่ยนะคก็ ก็เป็นปิญญาต้นๆถู ก, ถ ก, ถกไหมครับคือ ต, ตัวตัวสัจจยาณเนี่ยนะคือเริ่มว่าตรงๆเริ่มตั้งแต่ฟังฟังว่าอจาจคคจัคคูสมุทัยจัคคูนิโรจัคคูนิโรทัคขามินีปฏิปทา <ฮะ S 2> อันนี้เริ่มสัจจญาสัจจญานเนี่ยมันแบ่งเป็นระดับอนุโพธยานคือฟัง ฟังมาแล้วว่าจักโคจัคโคสมูไทยจัคโคนิโรจัคโคนิโรท่าขามิมีปฏิปทาแล้วก็ฟังในระดับสูงว่าจัคโคเป็นปริญญาธรรมนะจัคโคสมูไทยเป็นปหาตปธรรมจัคโคนิโรเป็นสัจจิกาตปธรรมจัคโคนิโรท่าขามิมีเป็นพาเวตปธรรมทีนี้ผู้ที่ที่ระวบจัคโคเป็นปริญญาธรรมเนี่ยปริญญายังไง ปริญญาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเข้าไปรอบรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่โดยความเป็นของเที่ยงตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตามเห็นโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินตามเห็นโดยความกำนัดไม่ใช่ไม่ใช่ตามเห็นโดยความคลายกำนัดไม่ใช่กำนัดตามเห็นเพื่อจะดับไม่ใช่สร้าง สมุทัยเนี่ยนะไม่ได้มงสร้างตามเห็นโดยความสละคืนไม่ใช่ยึดถือทีนี้เมื่อตามเห็นอยู่อย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นอะไรก็ยังเป็นตีรณะปิญญาอยู่แต่เมืม่อตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงละเริ่มละนะั้นนะเริ่มละโดยกิจนะพวกนี้<ม>เริ่มละความสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นของเที่ยงได้<ม>คือตัวสมุทัยเนี่ยนะพื้นฐานตัวหลักๆ ห, หนึ่ง วิจักวิปลาสในจักขโนั่นแหละคือจกักรโเนี่ยธรรมชาติของมันอ่ะมันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเยี่ยงมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าสุขเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นอัตตาเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าหน้าเพลิดเพลินเป็นที่ตั้งแห่งความแห่งราคะแห่งความกำลังเลนะเป็นที่ตั้งแห่งสมูทายคือการก่อสร้างแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ ท่นผู้ที่ปฏิบัติในตรงงานข้ามเนี่ยพราะจักขูสมูทัยมันมันมันไม่มีอะไรพิเศษมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยตกลงมันอยู่ที่ไหนกิเลสเนี่ยท่านการวิเคราะห์ระดับนี้ถ้าพูดพูดอีกภาษาหนึ่งบอกตรงๆว่าเรียนวิชาอื่นๆมาค่อนข้างเยอะมันจึงแบบวินิจฉัยเป็นเนี่นะว่าอย่างอย่างไรชื่อว่าจักขูสมูทัยอย่างนี้เลยท่านการวิเคราะห์ในระดับสูงเนี่ยเราไม่ใช่ต้องการละสมูทัยในอดีตใช่ไหมใช่ไหมเราไม่ได้ไปละ มันผ่ามาแล้วเอา้ามันสร้างมาเรียบร้อยแล้วอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องไปค่าวิศวะอะไรที่ <c oughs> ที่ของเก่าเนี่ยนะที่มาสร้างพุกตัวนี้ไม่ต้องไปล่าเพราะมันสร้างเสร็จมาแล้วก็ล่าว่าไอ้โครงเจ้าของโครงการใหม่ๆเนี่ยันนี้ไม่เอาเนี่ยนะทีนี้โครงการใหม่ๆมันก็ต้องอาศัยอาศัยงานเก่าๆนี่นะก็ เ, ะเป็นการมารือ้อหรือเพื่อที่จะได้ไอ้ที่จะเป็นเนี่ยจะได้ละสักทีหนึ่งก็เ <c oughs> ข้าใจครับดังนั้นเนี่ยเข้าใจหมายความว่า ไม่มีตันหาอะไรที่เราเข้าไปดับตรงๆอย่างนั้นแต่ตันหาจะดับหรือว่าจะเป็นปะหารในขั้นตทางคารประหารหรือว่าจะเป็นวิขับพนาปะหารนั้นเนี่ยก็โดยการทําปริญญาณในจักรโหนั่นแหละถูกไหมครับเคยพูดภาษาหนึ่งเลยนะพูดง่ายๆว่าถ้าขุดเจาะ อ, อนุปัสนาเจตเนี่ยเจาะไม่ทะลุถึงนิพพานเนี่ยนะอย่าคิดว่าจักขโตัวนี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยก็ต้องเจาะ อ, อันอันจักขโห เนี่ยโดยให้แทงตลอดพระนิพพานคือถ้าถ้าอนุปัสนาเนี่ยนะอนุโพธยญาณเนี่ยถ้าเจาะเสร็จเนี่ยมันจะเป็นกิจญาณแล้วระหว่างที่ยังไม่เสร็จเพราะว่ายังเป็นแค่ต่ทางเข้ปะหารเนี่ยครับอยู่ตรงไหนครับถ้าถ้ายังไม่เสร็จนี่ก็ถ้ายังไม่เสร็จเนี่นะแผ่นชาต์เนี่ยเลิกคุยเลยแผ่นชาตระดับนี้นะต้องนะต้องต้องขึ้นใหม่เลย หมายความว่าต้องมาขึ้นว่าเออจากขูคืออะไรมีองค์ประกอบคืออะไรมันไม่เที่ยงยังไงหมายความว่าไอ้ที่อื่นเอาไว้ก่อนละไว้อะไรนะบอกว่าอย่าเพิ่งเรียนเลยก็เรียนอันนี้อันเดียวแต่นี้เราพูดแบบรวมทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นภาพรวมก็เรว่างที่ทํากิจในการกำเนดรู้ทุกหรือว่าธีรณะมันก็เป็นปริญญาแล้วก็ละด้วยแต่ว่าไม่ชื่อว่าปริญญากิจไม่ชื่อว่าปัญหาแต่ไม่ชื่อว่าปัญหานกกิจนะครับเอางี้นะว่า สมมุติถ้าเราโกรธปนันึองไม่พอใจมากพิจารณาโกรธมันไม่ดีนะอะไรมันไม่ดีถามว่าเราเชื่อว่าเป็นผู้ที่ละความโกรธหรื อ, อยังอา้าวมันก็พิจารณาจนไม่โกรธแล้วอะเรียกว่าเราละหรื อ, อยังก็ต่อทางกับทหารไงฮะมันก็คือคื อ, ค อ, คอมันมันมันมันอะไรนะพูดแบบภาษาชาวโลกเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าผ่อนหนี้ได้อ่ะเว ล, ลาเขามามาทวงหนี้ใช่ไหมคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้แต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาอะไรจริง คือไม่ได้แก้ปัญหาในระดับสูงพวกตีระนาปริญญาเนี่ยนะผู้ดอดกวิจัยหนึ่งก็คือถ้าเป็นต้นไม้พัน์ไม่ดีนะแค่เด็ดยอดกลมเด็ดยอดไม่ใช่ถอนรากถอนโคนกว่าที่จะเป็นความบริบูรณ์ของกิจยานเนี่ยครับมันก็จะต้องมีอย่างเด็ดยอดเด็ดไปทีละนิดเท่านิดจนกรทั้งเด็ดพิงโคนเนี่ยขณะที่ทำกิจตรงนั้นไม่ไม่ชื่อว่ากิจยา น, นะครับ ถ้าออมี ญ, ญกิดขึ้นด้วยอมันเหมือนอย่างว่าถ้าเป็นนักถางป่าจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่า อ, อถ้าโครงการอันนี้เนี่ยนะถ้าทําจนสําเร็จก็เชื่อว่าถอนแต่ถ้าทําไม่สําเร็จเนี่ยนะเหมือนตัดหญ้าเลยใช้เครื่องตัดหญ้ามาตัดสักเตี้ยนเลยนะก็นึกว่าตัวเองตัดดีแล้วกลับไปบ้านนอนสักสามอาทิตย์แล้วกลับมาดูใหม่อ้าวทาไมมันสวยเท่าเดิมอ่ะนะดีไม่ดีสวยกว่าเดิมอีก แต่คือคือถ้าระหว่างแค่ตัดอยู่แค่นั้นเนี่ยห <c oughs> มายเขาว่าอย่างเช่นบุคคลทั้งหลายผู้พิจารณาจนจน <c oughs> เช่นเจริณาสุภาหรือเจรณาอะไรสักอย่างจนระดับหนึ่งพอขมได้แต่ถามว่าถ้าไม่จนแทงตลอดพนิพานเนี่ยนะ <c oughs> เพราะตัวพระนิพพานเนี่ยเป็นที่สางแห่งความเมาเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรถ้าไม่บรรลุพระนิพพานเนี่ยมันก็ มันพูดยากว่าทํางานเสร็จมันแค่อะไรนะแค่ผ่นงานผลัดงานเป็นอะไรแค่นั้นอนะ่ะจะเรียกว่าทํางานมันก็ยังไม่ใช่อะ่ะเพราะมันไม่ได้เสร็จอะไรสักอย่างเลยอย่างสมมุตินะพูดอย่า ง, อ ย, างอย่างเช่นสายราคาเนี่ยนะก็เออเนี่ยเช่นเห็นปั๊บอู้สวยจังก็เกสาโลมาหนะ้าขาทันตาปฏิกูลโดยสีกลิ่นสันผานโอกาสพิจารณจนพิจรารณาจ น, จาจนคมได้แหละแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นคิดก่อสร้างคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วกลับมาอ้าก็สวยอีกแล้วจะทําไรแล้วถามว่าไอ้ที่พิจารณาไว้ตอนต้นละ่ะ มันจะว่าละมันก็ไม่ใชา่มันทํางานไม่เสร็จอะคือคื อ, ค, อคือมันไม่เสร็จทีนี้ไม่เสร็จเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นงานไหมล่ะเอาเมื่อทําไม่เสร็จเนี่ยนะทําค้างคาไอประเภทที่เรียกว่าใช้ให้เข้าไปตัดหญ้าเหมือนอะไรนะให้ไปถอนรากถอนโคนหญ้าไปเด็ดแค่ ย, ยอดแล้วกลับมาแล้วพอแล้วบอกว่าอะไรนะแบบกลุ่มถ้าเป็นพวกนาเจ้านายเนี่ยจะรู้งานพวกนี้ดีใช้ให้ลูกน้องไปถอนรากถอนโคนนะแล้วมันตัดเตี้ยมเสมอดินหลอกเราเฉยเฉยเนี่ย นะนะมันก็บอกว่าก็รับเงินเดือนไปใช่ไหมเสร็จแล้ววันหลังนี่สวยกว่าเดิมเนี่ยนายจะว่าไงกันนี่ยอยาตำปริญญาอี่าทำปริญญาให้รู้ ป, จปจัจจัยลักษณะปัจจัยในลักษณะลักษณะที่จตุกะที่พูดถึงว่ากล่าวสั้นๆที่อธิบายยาตาปริญญาไว้นะครับพูดจํานนสัน<ช>้น<ต>ที่สุดแต่ทีนี้<ม>ว่าอย่างที่ผู้การพูดเนี่ยมันใช่แต่ถ้ากิจจริงๆเนี่ยเราหัวข้อที่พูดเนี่ยมันพูดระดับไหนอยู่ ปัญหาที่ที่พูดเนี่ยคือเราพูดระดับว่าจะเป็นเขาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรทําไมจึงเป็นพระพุทธเจ้าใน ร, ระบบท่านตอนว่าเออเนี่ยนะเพราะเราเนี่ยทุกเรากําชื่ อ, อ, อทุกนี้ทุกนี้สมุ ท, ทยัยนี้นิโรดนี้มรรคทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธทุกเราก็กําหนดออทุกควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นต้นจนถึงว่าเราทํากิจเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยนี่นี่คือคือโครงสร้างระดับ เรากำลังเรียนของพระพุทธเจ้าอยู่ทีนี้พอพอเราเข้าใจว่าเออเนี่ยระบบแทนทั้งหมดเนี่ยมันคืออย่างนี้นะก็มาคุยว่าสัตวจานุโลมมุกยาเนี่ยค่อยๆขึ้นมาอย่างเงี้ยกระดึบกระดึบขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ายังไม่ถึงเจ้าของโครงการระบบทั้งหมดเนี่ยแล้วถามว่าอยู่ในระหว่างนี้จะเรียกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพวกปุตชชนเนี้ยนะถ้าพูดในภาษาหนึ่งภาษาคาคือผู้ศึกษากําลังศึกษาใช่ไหมอาเซขาชื่อว่าศึกษาเสร็จแล้ว ถ้าเนว่าเสขาละ่ะกลุ่มปุตุชนทั้งหลายเนี่ยเป็นเนว่าเสขาหมดเลยแต่ถ้าเอาจริงเอาจังกับตามปฏิบัติชื่อว่าเสขาโดยสงเคราะห์ชื่อว่าเสขะโดยสงเคราะห์ไม่ใช่โดยจริงเหมือนอะไรลูกจังงชั่วคราวไม่รู้บรรจุวันไหนก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นของปุตุชนทั้งหลายเนี่ยจึงไม่เรียกว่าสาวกเพราะไม่ได้ทากิจตรงนี้ ปุตตชนนะไม่เรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าบางแห่งเลยบอกว่าคนนอกอยู่ยนะก็แต่ว่าแต่ก็อยู่ข้างในเพราะอะไรเพราะว่าสมัครเป็นลูกจ้างช่วคราวอยู่หมายความว่าช่วงนี้กําลังช่วงกรอกใบสมัครกํำลังทํางานน่าดูว่าจะบรรจุตัวเองสําเร็จหรือเปล่านะพระองค์รับไม่จํากัดอยู่แล้วแต่ว่าจะบรรจุตัวเองสําเร็จหรือไม่ว่าทํากิจเหล่านี้ได้ไหมที่เขาเรียกว่าสาวกก็เพราะทําปริญญากิจปหานากิจสัจิกิจญากิจภาวนากิจแต่ว่าทั้งนั้นทั้ง น, งนี้ท่านถือเอานิพานเป็นประมาณ นะถือเอาเป็นนิพพานเป็นประมาณนี่พอย้อนกลับมาว่าอถ้าเราจะทําสมมติถ้าเราเข้าใจภาพรวมอย่างนี้แล้วที่เหลือเออเราจะจัด ก, การยังไงกับจักรครูแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งครับนมาสการถามพอาจารย์ค่ะอะ่ที่ชาตินี้นี่เป็นการแสดงมรรคจิตขณะที่ปฏิบัติกิจขณะที่ออทอ่บัณฑุชาติานี้เนี่ยชาตินี้เขียนตั้งกะครูเรียกว่าอะไรนะ พูดแบบถ้าเป็นโครงการมาไหว้พระเจดีย์ก็ตั้งกับขึ้นเครื่องบินที่สนามบินบ้านเรามาแล้วก็เนกลับถึงบ้านเราอีกละก็เขียนรวมอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาลงรายละเอียดแต่ละขั้นไปเพราะอันนี้มันมันเขียนรวมทั้งหมดเลยทีนี้ยมเข้าใจว่าอ่าขณะที่ตรัสรู้ที่ที่พระองค์พูดถึงการทํากิจอะไรสี่รอบเอ้สามรอบก็คือว่าขณะที่รอบสามรอบสามรอบสามอาการสิบสอง อ่าซึ่งตอนนี้เป็นการพูดถึงขณะที่ทำกิจตรัสรู้เพราะฉะนั้นคือคือในสูตรนั้นเนี่ยนะว่า เ, เราเนี่ยถ้าเราไม่รู้อริยสัจโดยรอบสามอาการสิบสองเราจะไม่ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้รู้ยิ่งเลยแต่เพราะเรารู้อริยสัจโดยรอบสามอาการสิบสองเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้รู้ยิ่งอันนี้นี่คือคือพุทธพจน์นะสูตร ต้นต้นผู้แต่พ่พตรงเนี่ยคือต้องการประกาศว่าถ้าไม่รู้สิ่งนี้จริงนะจะไม่ปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่เนื่องจากเสรู้สิ่งเหล่านี้จึงปฏิญาณว่าเป็น<ช>พระพุทธเจ้าทานยาโกณธัญะท่านฟังและเข้าใจแล้วได้ทำกิจระดับโสโดาปฏิมาเท่า น, นั้นเองพอมาฟังอนัตตลักษณะสูตรแล้วท่านจึงทำกิจในอรหัตตมัคสําเร็จเห็นไหมทีนี้ยมเข้าใจว่าขณะที่มัคคิจเกิดนี่ ก็คือทำทำกิจตอนนั้นที่ทํากิจขณะนั้นมักทํากิจปริญญากิจปหานะกิจแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์โดยสัจจิตแต่ภกิจเพราะฉะถ้าเมื่อมักคจิตเกิดในขณะนั้นในช่วงก่อนนั้นก็ถือเป็นอนุโพธิญาณแล้วก็ขณะที่เป็นกิจตรงนั้นก็เป็นปฏิเวทใช่ไหมเป็นปฏิเวทยานแต่ว่า<ช>ถ้าเผื่อว่าไม่ไม่่ไมบรรลุไม่บรบรลุรจะเรียกอะไร เออเหมือนคล้ายๆกับว่าอ่าอย่างเราทํากรรมหนึ่งๆนี้ตอนนี้เจตนาอของเรามันยังไม่ให้ผลเราก็ไม่เรียกนา น, นิคณิกะจะมาใหมใ่หมะนะเดี๋ยวจะอุปมาอย่างนี้เหมือนชายคนหนึ่งเนี่ยเขาประสงค์จะครองเมืองแต่การที่จะครองเมืองเนี่ยมันต้องค่าค่าศึกปริมาณเท่านี้เท่านี้เท่า น, านี้เมื่อค่าค่าศึกเสร็จแล้วไปนั่งที่บัลลังก์เขาจะพิเศษให้อเมื่อพิเศษเสร็จก็จะเป็นพระราชา เสร็จแล้วบอกอันนี้ยังเมืองเล็กเมืองน้อยอยู่ เ, เขาหากินเมืองใหญ่ๆไปเรื่อย ๆ, ๆอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ช่วงที่ระหว่างว่าถือดาบมาเที่ยวฆ่าศัตรูได้ฆ่าไปคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่าระหว่างนั้นได้เป็นพระราชาหรือยั ง, ยงได้อภิเสกหรือยังก็ยังเพราะในพวกเจริญมิปัสฉนามันเหมือนกับไปค่ายกแ ล, ก ล, ล้กิเลสเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะไปขึ้นมันลังระดับล่างก่อนเนี่ยนะมันก็เป็นอยู่ในระดับนั้นแต่นี้เราพูดลักษณะโครงสร้างไป แต่ถ้าหากว่ายังถ้าสมมติว่าถ้ายังไม่ได้ตัวเองไม่ได้ขึ้นนั่งบัลลังก์อภิเสกแล้วเนี่ยจะเรียกว่าตัวเองได้ทําอะไรบ้างเพราะงานมันยังไม่เสร็จอ่ะเพราะมันหมายความว่ามันจะเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกก็ได้เช่นถ้าจุติกกนอย่างเงี้ยจุติกกรก็นับหนึ่งใหม่หมดเลยถ้าถ้าตัวอย่างนี้ถ้าบอกว่าถ้ายังไม่อภิเสกเมื่อไหร่ก็ยังไม่ได้เป็นพระราชาแล้วก็ถ้าคนนั้นไม่ได้เป็นพระราชาเลยงานนั้นมันก็ คือเพราะฉะนั้นพรอะรอริยะโบราณ น, นะพระอริยะสมัยพุทธกาลท่านจึงกลัวนักลัวหนาที่มันไม่ที่ไม่ได้รับการอนพิเศษนะถ้าถ้าอาา่านในพระไตรปิฎกนะพระอริยะสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านกลัวจริงๆเลยนะ <owing> คือคือพระปุตุชนสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านกลัวยิ่งกว่ากลัวอะไรอีกกลัวไม่ได้รับการอนาพิเศษเพาราะฉะนั้นท่านจะทุ่มเทเอาชีวิตเป็นประมาณเอาชีวิตเข้าแรกบอกโสดาปฏิมาก่อนก็ยังดีเอาไว้อุ่นใจก่อน ทีนี้อพอมาถึงจุดนี้ก็จะคล้ายๆกับที่ผู้การถามตรงเมื่อกี้คือว่าใ น, ในความเข้าใจของโยมก็คือว่าถ้าตราบได้ถ้าเมื่ อ, อไร่เราบรรลุการที่เราเริ่มฟังธทำหรือเรียนคุยพูดคุยทําปริญญากันนี้นี่ก็อยู่ในส่วนของอนุโพธิญาณแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้บรรลุส่วนนี้ก็ยังไม่ได้จัดเป็นในอันนั้นใช่หรือเปล่าก็ถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าทํากิจเหล่านี้ไม่ไม่สำเร็จนะสมมติเอาอยู่แค่เนี้ย <c oughs> ได้แค่นี้แล้วขาดตอนไป คุณก็คือเขาจะชมว่าคุณผู้สั่งสมบูรณ์ไว้แล้วชาติต่อต่ อ, ตอไปนะคุณจะฟังและเข้าใจง่ายกับคนอื่นบนรรลุเร็วเออเนี่ยเขาจะพูดอย่างเงี้ยเพราะเพราะถ้าอย่างนั้นปัญหาที่ผู้การถามว่าแล้วปริญญาตีเลยนะอะไรพวกนี้มันจะอยู่ที่ไหนก็คือว่าถ้าเราบรรลุแล้วเราก็นับได้ว่า น, นี่มันก็อยู่ในส่วนของโพธิเวทเพราะว่าบรรลุเนี่ยนะททในที่อื่นเนี่ยบอกเลยว่าพวกไอปริญญาปานะ สัตว์ชีกิริยานี้เขาเรียกว่าอภิสมัยอีบางแห่งใช้คําว่าอภิเษกเป็นการอภิเสกโดยสัจจะเนี่ยนะเป็นการอภิเสกว่าเออเนี่ยคุณได้เป็นพระโสดาบันแล้วนะได้รับการอภิเสกแล้วนะต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์ทีนี้ถ้าทํางานยังไม่เสร็จจะเรียกอะไรคือก็ก็ยังที่อื่นๆนะก็บอกว่าอย่าก็จะพึ่งทอนะถ้าปฏิบัติตามนี้เนี่ยอะไรนะ บุพะโยคาวัจระสูตรอ่ะที่พูดพระสูตรกลุ่มนี้นะอันนี้สงของการปฏิบัติธรรมเอาไว้ในอดีตชาตินะบรรลุเร็วอย่างเช่นบรรลุตอนเป็นเทวดาพอเป็นเทวดาก็บรรลุอย่างเงี้ย น, นะหรือมีผู้ไปแสดงธรรมก็บรรลุเร็วก็จะชมในลักษณะแง่นี้ไปแต่ถามว่าระว่างนี่ท่านทํากิจอะไรอย่างเช่นกลุ่มทาพายะอดีตชาติเนี่ยนะไม่นี่นนะกล่าวว่าท่านได้ทํากิจอะไรเลยแต่จริงๆแล้วท่านทํา ทำเพื่อ <S <S เพื่อรองรับคุณธรรมที่จะบรรลุมรรคผลแต่ว่าไม่ได้ยกมาชมอะไรเป็นพิเศษว่าที่ท่านทำไว้ในอดีตนี้อะไรมาบ้างอย่างมากก็บอกว่าเคยบำเพ็ญคะตตะปัจจคติกวัฏก็จะชมไม่เท่านี้ไม่ไม่ค่อยยกย่องเท่าไหร่ถ้าผู้ที่ทากิจไม่เสร็จเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลก็อย่านอนใจเหมือนกันนัน เพราะฉะนั้นเธอจึงควรภาพเพียนอะไรสารพัดคาสอน ท, ท, ที่ที่ที่ระดมความเพียนทั้งหลายแหละเนี่ยนะทีนี้ถ้าระหว่างช่วงแค่ทาปริญญาเนี่ยจึงเป็นถ้าพูดระดับระดับสูงมองบอกว่าผู้เรีนนี้มันเล็กน้อยจริงๆเลยถ้าพูดนะจบปริญญาเอกมาแล้วเห็นเด็กนักเรียนอนุบาลท่องก อ, อกไก่เนี่ยด็อกเตอร์เขาจะว่างไงท่าอาจารย์ครับถ้าอย่างในกรณีนี้ก็ถ้าอย่างสมมติว่าอ่าปีหน้า ผู้การตรงชัยบรรลุโสดาบันอย่างนี้ที่ผ่านมาก็เป็นท่านทํำปริญญาปริญ ญ, ญาตีรน า, าปริ ญ, ญญาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าชาตินี้ท่านสิ้นไปก่อนอยังไม่ได้สักมักเลยนี่ก็ฝาวไปไม่ได้ซักปริญญาใช่ไหมคะก็คือก็ไม่รู้อะเพราะว่าเกิดในี้สําคัญอย่างที่คุณว่านะว่าก็ถ้าสมว่าถ้าผู้การมาเกิดใหม่อ่ะมาเกิดอินเดียเลยะเกิดแ <c oughs> ถวแถวตน้นภระีมหาโพเลยอ่